เรได้เวลาที่จะพบกับพระมาร์คชาคาวโรจากวัดนาปพงลำลูกกาคลองสิทธิ์กันแล้วคะ่ะนวส ก, การ์ะท่านคะเจริญพรค่ะวันนี้เป็นอริยศาสตร์จากพระโอษฐ์ใช่ผักตน้นวันนี้เป็นเรื่องของอผู้ปฏิบัติเพื่อความดับเย็นในเนื้อหาเนี่ยคืออาจจะเกี่ยวกับผู้ที่มักจะคนที่มีเรื่องชอบกังวลในอดีตในอนาคต ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงข้างหลังเป็นยังไงมาถ้าได้ฟังพระสูตรนี้แล้วอาจจะเมองอะไรได้ได้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งอาจารย์บอกว่าอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดที่สิ่งที่เป็นความจริงจริงๆนั่นเองค่ะแอบเรามาฟังดังนั้นคนขี้กังวลทั้งหลายฟังทางนี้ค่ะใช่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วก็ดีที่จะมาข้างหน้าก็ดีล้วนเป็นของไม่เที่ยงจะกล่าวไปหญ่ถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เป็นปัจจุบันนี้เล่าภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่ล่วงไปแล้วก็ดีที่จะมาข้างหน้าก็ดีล้วนเป็นของที่คงอยู่อย่างนั้นไม่ได้เป็นทุกข์จะ ก, กล่าวไปยิ่ถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นปัจจุบันนี้เล่าภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่ล่วงไปแล้วก็ดีที่จะมาข้างหน้าก็ดีล้วนเป็นของที่ไม่ใช่ตัวล้วนเป็นของที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจะ ก, กล่าวไปใหญ่ถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นปัจจุบันนี้เล่าภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ ผู้มีการสดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหมดอะไรยยินดีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ได้ล่วงไปแล้วย่อมไม่นึกเพลินเกี่ยวกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่จะมีมาแต่จากเป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายออกเพื่อได้ดับสนิทเสียซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นปัจจุบันนี้แลหละหังนี้ค่ะผู้ปฏิบัติเพื่อความดับเย็นซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้บอกว่าขันห้าเนี่ยส่วนประกอบที่ท่านนิยามว่าเป็นชีวิตเนี่ยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ย ที่ร่วงมาแล้วก็ดีที่จะมาข้างหน้าก็ดีเนี่ยล้วนเป็นของไม่เที่ยงล้วนเป็นของที่ตั้งอยู่อย่างนั้นไม่ได้ต้องเสื่อมสลายเป็นทักไปล้วนไม่ใช่สิ่งทีเ่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตนพรานจะไปกังวลอะไรกับอดีตอนาคตหรือแม้แต่ปัจจุบันบซึ่งท่านได้ตรัสว่าผู้ที่ได้มีการสะดับแล้วเนี่ยได้สดับฟังเห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยก็จะหมดอะไรยินดี <c oughs> ในขันห้าที่เกิดขึ้นในอดีตที่ล่วงไปแล้วแล้วก็ไม่นึกเพลินึกปรุงแต่งไปในขันห้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต <c oughs> แต่เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายออกเพื่อดับสนิทเสียในปัจจุบันนี้ <c oughs> ฟังแล้วบางคนที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาพระพุทธเจ้าเนี่ยบ <c oughs> อก <c oughs> ว่าบทีฟังแล้วงงไปหมด <c oughs> เหมือนกับว่าท่านพูดเหมือนๆกันหลายๆครั้งถูกต้องเพราะว่าคล้ายๆมีรูปแบบในวิธีการพูดถ้าเป็นภาษางกฤษยวเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะคะแต่ถ้าจะฟังแล้วได้ประโยชน์ไปด้วยฟังแบบมีสมาธิเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนถึงความแตกต่างนะคะท่านฟังคงจับกันได้อันนี้พูดถึงเรื่องขัน5รูปเวทนาสังขารสัญญาสังขารเนี่ยบอกว่าเป็น ไตร ล, ลักษณ์ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจะรบกวนท่านช่วยอธิบายได้ไหมคะว่าเผื่อบางคนเขายังอาจจะง ง, งๆงไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าที่ไม่เที่ยงกับที่คงอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์ในความจริงเหมันคล้ายกันนะคะคืออันนี้จังกับทุกขังเนี่ยคล้ายกันจังเลยอันนี้จังพอจะยกตัวอย่างได้ไหม <c oughs> ทุกขังยกตัวอย่างได้ไหมคะ่ะ อย่างอันนี้จานี่คือว่ามันมันมีมันเป็นความที่ไม่เที่ยนนี่คือมันไม่ไม่แน่นอนทุกขังนี่คืออาการที่สมมติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยต้องมีการเสื่อมไป <คะ S 1> มีการเช่นเช่นไมโครโฟนนี่ต้องมีการเสื่อมอฟองน้ําที่ค่อยๆหลุดลุยตัวไม้ที่ค่อยๆกัดลอกไปนี่คืออาการทุกขังที่ไม่ค่อยๆแตกสลายคงอยู่ไม่ได้ใน<อ>รูปแบบเดิมตลอดไปใช่ค่ะ ซึ่งเราก็มามองได้แม้แต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละปีเนี่ยมันมีอาการที่ถ้าว่าไปแล้วก็เป็นทุกข์เหมือนกันมีการเสื่อมเกิดขึ้นคะ่ะไม่ใช่ตัวไม่ได้ไม่ใช่ตนเพราะนั้นในเรื่องของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่คือว่าถ้ามันมีการไม่เที่ยงแตกสลายไปได้เราพระภูมิพระเจ้าได้เคยถามว่าเราจะเห็นสิ่งนั้นเนี่ยว่าเป็นตัวตนได้อย่างไรว่ามันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไป ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราหยิบมาพิจารณาไม่ว่าความคิดในอดีตคิดย้อนไปในความคิดต่างๆในอดีตเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีใครคิดอดีตไปตลอดหือจะคิดปรุงแต่งไปในอนาคตก็ไม่มีใครสามารถไปก่อนอยู่กับความคิดปรุงแต่งในอนาคตได้ตลอดเวลาสมมุตินะคะท่านคนเราเนี่ยถ้าถามว่าถ้าคิดไปในอดีต ก็คิดเป็นอนาคตแล้วก็ยังอะไรอวบนอยู่กับอดีตอนาคตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะต้องเป็นอดีตที่งดงามอนาคตก็ต้องหวังว่ามันจะงดงามนะคะอทีนี้ถ้าจะยกตัวอย่างก็เช่นสมมุติว่าแม้เราเคยอยู่บ้านสวยๆอย่างงี้ดีค่ะพอฐานะเราแย่ลงเราจําเป็นจะต้องมาอยู่บ้านเล็กๆเราก็ยังคิดถึงไอ้บ้านสวยอยู่นั่นแหละ แต่เราจะต้องพิจารณาว่ามันก็ไม่ได้สวยอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นด้วยคะก็พิจารณาได้แหละแบบคือว่าถ้าเราจะมองว่าที่เราไปดิจิตีกับบ้านสวยนี่คือเราไปอันหนึ่งคือเราไปเห็นแต่รสอร่อยของบ้านสวยๆนั้นบ้านสวยนี่ก็เป็นรสอร่อยอย่างหนึ่งพออยู่แล้วบ้านสวยๆเนี่ยมันก็ซูฐานะเกิดเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นความไม่เที่ยงของ ลาบหร่อว่าของยดต่างๆที่มันาลาบมีลาบก็ต้องเสริมลาบเสริมไปได้แล้วก็เสร็จแล้วมาพิจาไหนว่าเราก็ไปก่อความคิดในอดีตอีกคิดว่าเคยอยู่บ้านเสริมความคิดนี้ก็เป็นสิ่งที่ความคิดในเดีกต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอีก เ, อเราก็จะค่อยๆเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ไ ม, มีความเทงแท้เลยสักอย่างเดียวเพราะนั้น การที่เราไปไปไปทุกอยู่กับอนี่ันแรกคือเราไปเพลิดเพลินอยู่กับออสาทธะของของสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วอสาทะคือรสอร่อ ย, ออยค่ะแล้วก็พอพอเราไปคิดยักษ์อะไนี้แล้วเราคือไปเพลินในในความคิดในอดีตแล้วนั่นคืออสัญญาความจําได้ไหมลูกซึ่งพระเจ้าให้ทิ้งด้วซว่าอย่าไปเพล่อย่าไปเพลิดเพลินกับมันค่ะซึ่งในอีกพระสูตรหนึ่งเนี่ยเอออย่างอย่างในพระสูตรนี้เนี่ยเรา ที่ตอนสุดท้ายเนี่ยที่ตัดไว้ว่า เ, เราจะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายออกเพื่อดับสนิทเสียเนี่ยเราอาจจะถามว่าอืทําไมเราถึงต้องเบื่อหน่ายทําไมเราต้องคลายมันออกทําไมมันก็ดีบางคนที่ได้เจอแต่สิ่งดีๆเนี่ยแล้วก็วเออมันก็ดีอยู่แล้วนี่ไม่ได้มีอะไรเสียหายทําไมต้องไปเบื่อในไหนเพื่อคลายออกเพราะมันดีๆอยู่แล้วอจริงๆค่ะที่มันก็พระผู้มีพระอาจารย์ได้ตัดอีกพระสูตรหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่า ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัสาทะคือรสอร่อยเนี่ยน ะ, ะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งอุปท า, านนั้นอยู่นั่นคือเห็นอัศทะในขัน 5, รูปเสียงเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตันหาย่อมเจริญอย่างทั่วถึงเพราะมีตัญหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปท า, านคือมีความอยากจึงมีความยึด เพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพอมีความยึดจึงมีสถานที่เกิดเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติพอมีสถานที่เกิดก็จึงมีการเกิดขึ้นเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปยาศะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นั่นคือว่าพอมี การเกิดแล้วก็นํ า, าไปสู่ชาติไปสู่ชรามานะคือแก่เจ็บตายานั่นคือว่าท่านเห็นสายการเกิดว่าถ้าเราไปเห็นรสอร่อยในในในรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตัณหาคือความอยากย่อมจเจริญพอมีความอยากจะมีความยึดพอมีความยึดจึงมีสถานที่เกิดมีการเกิดแล้วก็นำไปสู่การแก่เจ็บตายเวียนว่ายไปอยู่อย่างนี้ไม่รู้จบซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเปรียบได้ว่า ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนไฟกองใหญ่พึงลุกโรล่ด้วยไม้สิบเล่มเกวียนบ้างยี่สิบเล่มเกวียนบ้างสามสิบเล่มเกวียนบ้างสี่สิบเล่มเกวียนบ้างบุรุษพึงเติมหญ้าแห้งบ้างมูลโคแห้งบ้างไม้แห้งบ้างลงไปในกองไฟนั้นตลอดเวลาที่ควรเติมอยู่เป็นระยะระยะภิกษุทั้งหลาย ด้วยอาการอย่างนี้ไฟกองใหญ่ซึ่งมีเครื่องหล่อเลี้ยงอย่างนั้นมีเชื้อเพลิงอย่างนั้นก็จะพึงลุกโพวงตลอดการยาวนานข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัาทะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานอยู่ตันหาย่อมเจริญอย่างทั่วถึงฉันนั้นเหมือนกัน เพราะมีตัญหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมานัตอุปายาสะ์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสินนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แลมันถ้าเราไปบอกว่ามันก็ดีอยู่แล้วนี่ ไม่เห็นต้องทําอะไรเลยก็แสดงว่าเราเป็นผู้เหม็นผู้มีปกติเห็นในความเป็นลดอร่อยในขันห้าทั้งหลายซึ่งพระผู้มีพระจ่าเนี่เตือนไว้ว่าถ้าเราเห็นแต่ลดอร่อยได้เห็นแต่สิ่งที่ดีเนี่ยความอยากก็จะเจริญอย่างทั่วถึงมีความอยากก็จะมีความยึดมีความยึดก็จะมีสถานที่เกิดมีการเกิดแล้วก็มีการแก่เจ็บตายวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดการยาวนานเปรียบได้กับการที่ว่า กองไฟอยนี้เราก็เติมเชื้อไฟเติมเชื้อไฟไปเรื่อยมันก็ไม่ดับได้สักทีก็ต้องเลิกเติมเชื้อไฟแปลว่าต้องให้พิจารณารสอร่อยนั้นว่ามันอร่อยอย่างนั้นจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะมัอร่อยตลอดไปไหมก็คือว่าพระเจ้าก็ให้มาปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายออกเสียนั่นคือให้มละความเพลินในรสอร่อยนั้นเสียเพลินในรูปเวทนาสัญญาสังขารให้รีบดับความเพลินนั้นให้ไว เราก็จะค่อยนานไปจะก็มีความเบื่อหน่ายแล้วก็จะคลายความพอใจแล้วก็จะนำไปสู่ความดับสนิทเสียได้ดับยังไงเข้าความเพลินก็ตั้งอยู่กับลมหายใจไปเพลินกับความคิดในใจปุ๊บรีบรู้ละอะเพลินปุ๊อะูยกลมหายใจนั่นคือดับทันทีแต่ว่าจิตเลากก็จะไปแสางความเพลินไหมอีกลดอะไรต่างๆแล้วก็มีหน้าที่ดึงมันกลับมาอยู่กับกาย ถ้าเราปล่อยไปก็เปรียบเท่ากับว่าเราเอาเชื้อเพลิงใส่ไปเรื่อยๆถูกต้องมันจะลุกโคลงไม่ยอมหยุดไอไฟที่ว่านี้ใช่ดังนั้น <c oughs> สองพระสูตรนี้ <c oughs> ชี้ให้เห็นว่าถ้าท่านอยากจะไม่มีการเกิดของความทุกข์อีกใช่ปฏิบัติเพื่อความดับเย็นก็ต้องเลิกเติมเชื้อไฟนั่นคื อ, อพยายามที่ไม่เห็นเสียงต่างว่าเป็นรสอร่อยอย่างเดียว เป็น อ, อีกหนึ่งพระสูตรจากอริยสัจจากพระโอษฐ์ผู้ปฏิบัติเพื่อความดับเย็นโดยพระมารชาคาวโรวัดนาปพงลำลูกกาคลองสิษ์ช่วงถามโลกตอบธรรมในรายการสัมส น, สนีสนทนาวันนี้นะคะน้มสักการขอบพระคุณพระคุณเจ้าค่ะเจริญพรค่ะ